hm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 มันจะคิดไปเรื่อยนะและยิ่งคิดก็ยิ่งทำให้เกิดความทุกข์ใจแล้วความทุกข์ใจมันก็ทำให้กายนี้เป็นทุกข์เพิ่มขึ้นเมื่อเรามาเจอรืงสติที่นี่เนี่ยก็ให้นะให้ฉลาดพอแล้วก็ไวพอที่จะเห็นนะอาการของใจด้วยอันนี้เรว่าดูใจนะ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 นั่งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆมันก็เป็นธรรมชาติของกายที่จะมีเวทนานะมีความปวดความเมื่อยแต่ใจมันไม่ได้อยู่ในอิเลียบทอย่างนั้นเนี่ยแล้วนะทำไมใจเป็นทุกข์เนะี่เคยสังเกตรหรือเปล่าในทา ง, นงเดียวกันนะเวลาเราเดินล้วเกิดว่ามีมดนัตไต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 ผู้ยิ้คือว่าการวางใจที่ไม่ถูกต้องนะคนเราเนี่ยมักพอไม่ไม่มันสังเกตดูใจนะเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นก็ไปโทษสิ่งภายนอกนะเคยพาคนไปเดินจงกรมไปเดินจงกรมอยู่ในสวน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 มันก็ไม่เชิงทำมันจะทำให้เกิดโทสะได้เนี่ยมันก็มีอย่างหนึ่งนะที่เกิดขึ้นความเจ็บเนี่ยมันไม่ทาให้เกิดโทสะทีเดียวนะเจ็บในที่นี้คือเจ็บขาเจ็บเท้านะมันต้องมีความรู้สึกว่ากูเจ็บมันไม่ใช่แค่ขาเจ็บมันมีความรู้สึกกูเจ็บและดังนั้นมาจึงเกิดโทสะกูไม่ชอบกูโกรธแล้วก็เลย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 แต่มันไม่ทำให้ใจทุกข์ไอ้ใจทุกข์เพราะมันมีกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นภายในแล้วนอกจากตัวเองทุกข์แล้วเนี่ยอาจจะทำให้คนอื่นทุกข์ด้วยเช่นทาให้มดเป็นทุกข์นะเพราะว่าเอามือไปปาดมันเอามือไปเอามือปัดมันยังไม่เท่าไหร่นะแต่เอามือไปบี้มันเอาเท้าไปกระทืบมันเนี่ยนะคือนอกจากตัวเองทุกข์แล้วเนี่ยมันก็นาไปสู่ความทุกข์ของผู้อื่นตามมาด้วย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 ผัสสะที่เราปวดทับพะนะคืออาการที่เกิดขึ้นมากระทบกายกระทบผิวหนังอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นเป็นผัสสะนะที่เกิดขึ้นกับร่างกายแต่ไม่มีผัสสะที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นนะทางหูเนี่ยที่มันกระทบเรานะแล้วก็ทำให้ผู้คนเป็นทุกข์เนี่ย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 พระท่านด่าจบนาะชีสาก็ถามว่ า, าพระอาจารย์ด่าดุด่าว่ากล่าวจบแล้วเหรอนะฉันฟังแล้วทราบซึ้งเหลือเกินนะที่ดุดานี่เป็นธรรมะทั้งนั้นเลยขาวหน้าก็ด่าใหม่นะเพราะว่าจะได้ช่วยขูดกิเลสนะทำไมถ้าเราบอกว่าทุกข์เพราะ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 หรือความรู้สึกปรุงแต่งตา ม, มาว่าเนี่ยโอ้ยฉันอุตส่าห์ดูแลผ้าอย่างดีนะฉันอุตส่าห์ตั้งใจปฏิบัติ ด, ดีทําไมครูบาอจารย์ว่าพูดอย่างนั้นหรืออาจะคิดว่าโอเนี่ยเสียหน้าเกิดว่ามีคนรู้ว่าครูบาจารย์มาดา่าเราเนี่ยเขาจะพูดถึงเราอย่างไรเขาจะมองเราอย่างไรรู้สึกเสียหน้ามากเลยนะกลัวจะตกเป็นข้อที่คอรหาว่ากล่าวของผู้คนพอคิดแบบนี้เข้าก็ทุกข์เลย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 ใจเราเนี่ยคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับคำดา่านั้นนะหรือทำอย่างไรกับคำดา่านั้นนะเช่นปรุงแต่งยึดติดถือมา่นเราปรุงตัวกูขึ้นมาตรงนี้แหละที่คนมักจะมองข้ามมองไม่เห็นเพราะว่าไม่ค่อยมาสังเกตดูใจของตัวเสียงดังก็เหมือนกันนะเสียงดังเสียงดังนี่มั น, ม, นมันไม่ม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 ฝรั่งก็เทชอบเที่ยวผับนะก็บังเอิญเป็นช่วงที่พระท่านหลวงพ่อชาท่านพาพระนั่งสมาธนะิแล้วก็มีการแสดงธรรมช่วงที่นั่งสมาธิประมาณสีสิบนาทีเนี่ยก็มีเสียงดังเข้ามาจากผับเนี่ยมาถึงวิหารพระหลายรูปที่นั่งสมาธิก็หงุดหงิดไม่พอใจนะบางท่านก็มีอาการกระสับกระส่ายอันนี้รวถึงคารวะ ด, ด้วย แกหลวงพ่อชายท่านนั่งนิ่งเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอนั่งสมาธิเสร็จนะก็มีโยมมาก็คงเป็นเจ้าภาพอนะมาหาท่านแล้วก็มาขอโทษแล้วก็พูดคือว่าเนี่ยนะขอโทษที่เสียงมารบกวนหลวงพ่อมีเสียงดังรบกวนหลวงพ่อหลวงพ่อท่านตอบว่าท่านตอบด้วยรอยยิ้มนะ่ะท่านบอกว่าเสียงโยมไปคิดว่าเสียงรบกวนโยม ที่จริงโยมอะเป็รบกวนเสียงต่างหากนะโยมนีงงงเลยนะเสียงไม่ได้รบกวนโยมนะโยมไป็รบกวนเสียงจึงมีความทุกข์จึงมีความไม่สบายใจหมายความว่ายัางไงก็หมายความใจเนี่ยใจของโยมเนี่ยไปทะเลาะบบาแหวงกับเสียงนั้นนะไปทะเลาะบบาแหวงกับเสียงไปบนไปพื้นพันไปต่อต้านขัดขืนเสียงนั้น ทำไมมันดังจริงว้ยนะียเมื่อไหร่มันจะอยู่สักทีนะทํทำไมมันร้องไม่เลิกทำไมมันร้องไม่เพาอเลยถ้ามันร้องนะเพราะแบบเอลวิสบิตันนี้ก็ยังพอว่าอะไรว่าไปนะเ น, นี่ยใจเนี่ยมันปรุงแต่งใจมันบนตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ไม่ใช่เพราะเสียงนะมากระทบหูแต่เป็นเพราะใจเนี่ยมันปรุงใจมารู้สึกในทางรบต่อเสียง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 หรือว่าเจ็บป่วยนะความเจ็บป่วยเนี่ยนะมันอย่างมากก็แค่ทาให้ทุกข์กายแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะว่าไอตอนที่ทุกๆอยู่เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ทุกข์กายเดี๋ยวมันทุกข์ใจด้วยทุกข์ใจแต่ไม่รู้ว่าทุกข์ใจไปคิดว่ามันเป็นเพราะนะร่างกายเพลียปวดหัวปวดท้องคิดว่าตรงเนี้ยทำให้ทุกข์หรือว่าทุกข์แค่นี้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 แม้ว่าข้างในจะยังกลัวนะแต่แค่ยิ้มเนี่ยนะทำให้ความเจ็บเนี่ยจับเข็มฉีดยาเนี่ยมันลดไปสี่สิบเปอร์เซ็นตาคนที่วิจัยสองเจ้านี่คนละคนนะแต่ว่ามันสอดคล้องกันนะก็คือว่าใจเนี่ยสำคัญเพราะเวลาเรายิ้มเนี่นะแม้ว่ามันเพียงเป็นแค่ยิ้มที่ใบหน้านะแต่มันก็มีผลทําให้ใจเนี่ยเริ่มผ่อนคลายเพราะใจผ่อนคลายเนี่ยให้ความเจ็บมันก็ลดลง แล้ S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเวลาเราเจ็บเวลาเราปวดเนี่ยนะลองสังเกตดูนะมันมักจะไม่ใช่แค่ปวดกายมันมีความปวดใจเข้าไปด้วยเวลาอากาศหนาวเนี่ยแล้วเราทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุกข์กายมันทุกข์ใจด้วยเวลายุงกัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เจ็บหรือทุกข์ที่กายนะมันมีความทุกข์กายมันมีความทุกข์ใจซ้ําเสริมเติมเข้าไปด้วย และสิ่งที่เราทําได้เนี่ยถึงแม้ว่ามันมีความทุกข์กายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งเราทําได้คือช่วยลดช่วยลดทอนความทุกข์ใจด้วยการที่หันมาตามรู้ดูใจของเราถ้าเรามีสติทันเนี่ยนะมันจะทําให้กกระบวนการปรุงแต่งภายในใจที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจเนี่ยมันลดมันบรรเทาลงเช่นเวลากลัวเนี่ยเรารู้ทันความกลัวเนี่ยความกลัวมันมันมั น, ม น, มนบรรเทาลงได้นะ รู้ทันความกลัวเวลามีความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยนะความหงุดหงิดนะหงุดหงิดเพราะอากาศร้อนอากาศหนาวหงุดหงิดเพราะปวดเมื่อยก็ตามนะพเรามีสติรู้ทันความหงุดหงิดนะความหุความห ง, งุดก็จะเบาลงมีโทสะเกิดขึ้นแล้วรู้ทันโทสะมันก็จะเบาลงมันก็จะอะแต่ความทุกข์กายนะแล้วความเจ็บความปวดก็จะลดลงไปเยอะ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 หลวงพ่อทำคเขียนเนี่ยท่านพูดอยู่เสมอนะเวลาคนมาถามหลวงพ่อนะเกี่ยวกับเรื่องงานพัฒนาแต่ก่อนที่ท่านตอนที่ท่านมาช่วงประมาณห้าหกปีแรกหรือเกือบสิปีเนี่ยที่ท่านอยู่ที่นี่เนี่ยท่านก็ทำงานพัฒนาชุมชนเยอะทั้งที่ทํา ม, มาไฟแล้วก็ที่นี่แล้วก็ไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่คนก็ถามถามทํางานของหลวงพ่อเนี่ยนะ คิดหลวงพ่อคิดว่าสำเร็จไหมหลวงพ่อว่างานไม่สําเร็จงานล้มเหลวแต่ท่านก็พูดต่อไปว่างานล้มเหลวแต่ตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลวหมายความว่าใจท่านเนี่ยไม่ได้ทุกด้วยนะมันก็แค่ ง, งานไม่สําเร็จแต่ว่าใจไม่ทุกนะแต่หลายคนเนี่ยพองานล้มเหลวนะใจก็ทุกนะแล้วก็ไปโทษไปโทษคนนั้นคนนี้ที่เราคิดว่าทําให้งานล้มเหลว แต่ที่จริงไม่ใช่เนะี่ยคนที่ใจเป็นปกติแม่งานไม่สําเร็จเนี่ยก็มีนะเพราะว่าเขาวางใจเป็นแต่ไม่ื่อก็ตามที่เราทุกเมื่องานไม่งานไม่สําเร็จนะงานล้มเหลวเนะี่ยให้รู้ว่าสาเหตุแท้จริงที่ทําให้ใจทุกเนี่ยมันไม่ใช่งานล้มเหลวหรอกมันก็คือการปรุงแต่งในใจการวางใจไม่ถูก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 หรือความรู้สึกเป็นลบนะที่เกิดขึ้นในใจและถ้าเรารู้ทันมันเนี่ยเพียงแค่รู้ทันมันเนี่ยมันก็ช่วยลดช่วยบรรเทาไปได้เยอะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยหลายคนบอกว่าเบื่อเบือ่อแล้วก็เบื่อแล้วก็โทษว่าเบื่อเพราะว่าหรือทุกเพราะว่ามันเดินซ้ำซากนะไม่มีไม่มีอะไรเลยจริจริงมันไม่ใช่หรอกนะมันเป็นเพราะใจเราต่างหางขณะที่เดินกลับไปกลับมาใจแล้วก็จะนึกถึง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 แล้วเราก็จะรู้เลย ว, ว่าเนี่ยความความรู้อย่างแรกที่มันจะเกิดขึ้นกับใจเราก็คือหรือสิ่งที่ใจจะบอกบอกเราก็คือว่าทุกเพราะการปรุงแต่งในใจไม่ใช่ทุกเพราะสิ่งภายนอกและถ้าเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเปิดทางไปสู่ความไม่ทุกได้นะคำนี้ก็พูดกันท่อนี้ก่อนอ้าวกลับมาพร้อมกัน